สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเปเยซู ต, ตอนที่สี่ร้อยยี่สเอ็ดเรื่องต้นยาณบริสุทธิ์ครั้งที่หนึ่งพระเจ้าของพระเจ้ายังอยู่ในพระธรรมยอญบทที่สิบสี่พระธรรมยอญบทที่สิบสี่ข้อที่สิบห้าจนถึงข้อที่ยี่สิบสามครับโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าถ้าท่านทั้งหลายรักเรา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 เราจะมาหาท่านอีกหน่อยหนึ่งโลกก็จะไม่เห็นเราแต่ท่านหลายจะเห็นเราพอเราดำรงอยู่ท่านหลายก็จะดำรงอยู่ด้วยในวันนั้นท่านหลายจะรู้ว่าเราอยู่ในพระบิดาและท่านอยู่ในเราและเราอยู่ในท่านผู้ใดที่มีบัญญัติของเราและประพฤติตามบัญญัตินั้นผู้นั้นแหละคือผู้ที่รักเราและผู้ที่รักเรานั้นพระบิดาของเราจะทรงรักเขาและเราจะรักเขาและจะสำแดงตัวให้ปรากฏแก่เขา ยูดาสม่ใชอิสคาริโอตทูลพระองค์ว่าพรองค์เจ้าข้าเหตุใดพระองค์จึงจะสำแดงพระองค์แก่พวกข้าพระองค์แต่ไม่สําแดงแก่โลกพรงคตัดตอบเขาว่าถ้าผู้ใดรักเราผู้นั้นจะประพฤติตามคําของเราและพระบิดาจะทรงรักเขาแล้วพระบิดากับเราจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขาผู้ที่ไม่รักเราก็ไม่ประพฤติตามคําของเราและคําซึ่งท่านได้ยินนี้ ไม่ใช่คำของเราแต่เป็นพระวจนะของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาพี่น้องครับสิ่งแรกที่ผมอยากจะพูดในเช้าวันนี้ก็คือเราจะเห็นตรีเอกานุภาพของพระบิดาพระบุตรและพระวิญนญาณบริสุทธิ์ในข้อที่ยี่สิบสามครับตรองจตรัสตอบเขาว่าถ้าผู้ใดรักเราผู้นั้นจะประพฤติตามคำของเรา และพระบิดาจะทรงรักเขาแล้วพระบิดากับเราจะมาหาเขาได้ะจะอยู่กับเขาพี่น้องพี่น้องครับพระบิดข้อนี้เป็นข้อที่สําคัญและเราเห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นตัวแทนของพระเยซูและในขณะเดียวกันเป็นตัวแทนของพระบิดาเป็นตัวแทนแห่งความรักซึ่งเป็นหลักฐานแห่งความรักที่พระบิดารักพวกเรา และพระเยซูก็รักพวกเราซึ่งเป็นลูกของโปรงแล้วการประทับของพระบิดาและพระเยซูก็คือประทับอยู่ในรูปของพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับในข้อที่ยี่สิบสามนะครับชัดเจนครับแล้วพระบิดากับเราจะมาหาเขาและอยู่กับเขาพี่น้องครับในภาษาอังกฤษนะครับพูดชัดเจนครับ My Father will love them and my Father and I will come to them and live with them แสดงว่าพระวิญญาณบริสุทธินั้นพระองค์ทรงเป็นพระเจ้านะครับพระองค์ไม่ใช่เป็นพลังงานหรือเป็นอย่างอื่นๆซึ่งไม่ใช่พระเจ้าแต่พระวิญญาณบริสุทธินั้นสถิตอยู่กับเราก็คือพระเจ้านั่นเองก็คือพระเยซูเช่นเดียวกันพี่น้องครับนี่เราจะเห็นประการแรกก็คือตรีเอกนุภาพประการที่สองซึ่งเราเห็นเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ก่อนที่จะไปถึงประการที่สองนะครับโปรดจําไว้ว่านี่คือการสอนครั้งแรกของพระเยซูที่เกี่ยวข้องกับพระวิญญาณบริสุทธิ์บนห้องชั้นบนนะครับเป็นการสอนครั้งแรกที่เกี่ยวข้องกับพระวิญญาณบริสุทธิ์บนห้องชั้นบนคริสเตียนและคริสจักรนั้นเราอยู่ในยุคของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับพระวิญญาณ น, นั้นเป็นผู้ที่อยู่ในเราและจะไม่ออกไปอีกเลย เราไม่อาจามีชีวิตคริสเตียนที่ดีได้โดยปาจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เราไม่อาจดำรงชีวิตรคริสเตียนได้โดยปาจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ความรักของพระเยซูนั้นสำนนแดงออกให้กับเหล่าสาวกและพวกเราทั้งหลายทุกคนด้วยการห่วงใยนะครับด้วยความห่วงใยด้วยความรักอย่างแท้จริงของพระเยซูเพราะฉะนั้นในข้อที่สิบห้านะครับจนถึงข้อที่ยี่สิบนะครับเราเห็นสามประการด้วยกันครับประการแรกก็คือบทพิสูจน์แห่งความรัก หรือบทพิสูจน์ของความรักประการที่สองก็คือของขวัญแห่งความรักและประการที่สามก็คือการคงอยู่ของความรักวันนี้นะครับเราจะพูดถึงประการแรกและประการที่สองครับและในวันพรุ่งนี้ต่อๆไปก็จะไปพูดถึงวันที่สามพี่น้องครับการเชื่อฟังนะครับเป็นบทพิสูจน์ความรัก พ, พระเจ้าชัดเจนนะครับ ข้อ27ครับผู้ใดที่มีบัญญัติของเราและประพฤติตามบัญ ญ, ญัตินั้นผู้นั้นแหละเป็นผู้ที่รักเราและผู้ที่รักเรานั้นพระบิดาของเราจะทรงรักเขาและเราจะรักเขาและจะสําแดงตัวให้ปรากฏแก่เขาตรงนี้ชัดเจนนะครับใครก็ตามที่รักษาและประพฤติตามบัญญัติก็เป็นผู้ที่รักเรา The test of love ก็คือเป็นหลักฐานที่พิสูจน์นะความรัก ที่เรามีต่อพระองค์พระเยซูพูดถึงความรักไม่ต่ำกว่าห้าสิบหกครั้งนะครับในพระธรรมยอห์นและการเชื่อฟังการทําตามพระบัญญัติของพระเจ้าเป็นสิ่งที่สําคัญที่เป็นหลักฐานพิสูจน์ความรักที่เรามีต่อพระองค์ครับพระเยซูสอนให้สาวกรักกันและกันพระเยซูสอนเรื่องความรักพระเยซูสําแดงความรักให้เราดูนะครับบนไม้กางเขน นี่คือพระองค์รักเราในขณะเดียวกันครับเราจะตอบสนองพระองค์ด้วยความรักต่อพระองค์เราอย่าพูดว่าเรารักโดยที่ไม่มีการกระทําครับเพราะมันเป็นเรื่องปลอมหลักฐานแห่งการเชื่อฟังหรือว่าหลักฐานแห่งความรักก็คือการเชื่อฟังนะครับหลักฐานที่เรารักบอกว่าเรารักพระเยซูการเชื่อฟังไม่เป็นประการแรกครับประการที่สอง ให้เรามาดูว่าของขวัญแห่งความรักนี่คือใครคำตอบก็คือองค์พระวิญญาณบริสุทธินั่นเองพระวิญญาณบริสุทธิ น, ญญนั้นเป็นพระเจ้าครับและถือว่าเป็นตัวแทนของพระบิดาและพระเยซูคริสต์ที่มาอยู่กับเราที่นี่ภาษากรีกนั้นถ้าใช้คาว่าพาราเ λ ή τ ο ς คือเป็นผู้ที่ให้ออกมา นะครับและก็มายือนอยู่ข้างๆภาษาอังกฤษใช้คำว่าเค a t สนะครับก็คือแปลว่า called alongside called alongside called alongside ก็คือผู้ที่ถูกมอบหมายนะครับให้มาอยู่ข้างๆถ้าเราคิดถึงภาพในสารนะครับของคนกรีกโบราณ ก็ถือว่าเป็นคนที่ยินอยู่ข้างๆคอยแก้ต่างให้ครับเป็นคอยที่เป็นคนที่คอยปกป้องคุ้มครองเป็นคนที่คอยรักษาสิทธิ์ให้เราตามกฎหมายเหมือนทนายแก้ต่างในสมัยปัจจุบันนี่แหละครับในพระกัมภีร์ฉบับคิงเจมส์ก็แปลว่าคอมฟอร์ตคอ fort แปลว่าเป็นผู้ที่เล่าลมเป็นผู้ที่ให้ความสะดวกสบายเวลาที่เรามีปัญหาผู้เล่าลมก็จะช่วยเราเวลาที่เรา มีความทุกข์ยากลำบากผู้แล้วรวมนั้นก็จะประทานจอยหรือความชื่นชมเยนดีหรือการบำบัดรักษามาให้ในฉบับ NIV ฉบับ RSV นั้นแปลว่า counselor ก็คือแปลว่าผู้ที่ให้คำปรึกษานะครับมีแต่ฉบับเป็น RSV นั้นแปลว่าผู้แก้ต่างหรือ advocate okay. เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราอาจจะไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากนะักแต่ว่าผมอยากจะแปลรวมๆให้พี่น้อง รู้ว่าคำว่าพาราเคตอสซึ่งเป็นชื่อเรียกพระวิญญาณบริสุทธินั้นนะครับก็คือเป็นผู้ที่แก้ต่างอย่างเป็นทางการที่พระเจ้าเรียกออกมาหรือให้มาเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่จะอยู่ในชีวิตของเราตลอดไปพระองค์เป็นที่ปรึกษาเป็นผู้กลางเป็นผู้คุ้มครองเป็นผู้อธิษฐานวิงวอนเป็นผู้ที่ช่วยเราทุกอย่าง นี่คือการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของเราเมื่นก็มาถึงตรงนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างเรือกู้ภยัยชายฝั่งครับเมื่อเรือลาเล็กๆนะครับที่ประสบภัยคว่าลอยอยู่กลางทะเลกําลังจะจมมีจมแหลเวลาเรือเล็กๆนะครับเจอพายุเนี่ยเรือเล็กเนี่ยมักจะคว่าครับ แต่มันลอยครับแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยให้เรือเล็กๆเนี่ยมันถูกขึ้นนะครับขาถมเข้าไปชัดมันเข้าไปมันในที่สุดก็จะจมหมดแต่ว่าเรือกู้ภัยชายฝั่งนั้นมีความสามารถที่จะจูงเรือเล็กๆนะครับเข้าฝั่งได้เพราะว่ามันจะเป็นเรือใหญ่และมันจะเข้าไปกันขึ้นให้ครับมันก็จะเข้าไปรับขึ้นแทนการขึ้นให้ แล้วจูงมาจนท่านถึงฝั่งอย่างปลอดภัยโดยที่เรือลำนั้นแม้ว่ามันจะคว่านะครับแต่มันไม่จมเกือเทียบกับงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับภารกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือเป็นการปกป้องเรานะครับเป็นการกันเราป้องกันเรานะครับเป็นการให้กำลังใจเราเสริมเรี่ยวแรงเราและเป็นการให้คำปรึกษานะครับในชีวิตของเรา นี่เปรียบเสมือนกับเป็น job description นะครับหรือรายละเอียดงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราเรียกว่าพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองนะครับในเช้าวันนี้พระวิญญาณสถิตอยู่ในพวกเราจริงๆหรือเปล่าเราสัมผัสกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้แล้ว ร, รู้ว่าพระองค์เป็นใครจริงๆหรือเปล่าพระองค์เป็นพารากเทอสนะครับเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากพระบิดา และจากพระเยซูคริสต์เพื่อที่จะเป็นผู้ที่สถิตยอยู่ในเราตลอดไปและในวิดากร์โรงเป็นของขวัญแห่งความรักที่แสดงออกนะครับโดยผ่านทางพระเยซูพระเยซูได้มอบหมายพระเยซูได้ให้พระเยซูบริสุธิ์นั้นอยู่ในชีวิตของพวกเราและโรงทรงเป็นพระเจ้าในชีวิตของเราเช่นเดียวกันอาเมน